อะพิวาธนาสีลิจานิจังบุตธาปจายิโนจัตตารุธรรมาวาทาติอายุวันโนสุขังภารังผวะตุสะพพมังคลังราขันตุสัาพะพเทวตาสัพพุทานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสั พ, พสังคานุภาเวนะ สัทโสทีภวันตุเต